อภิวาธนสีลิสณิตยังวุทาปจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวาทานิอายุวันโนสุขังภาลังวาวะตุสัพพะมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะ สถาโสถีพะวันตูติ